ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่หลวงปูิยานกำมังนำเสนอสัมมาสมาธิโดยนำรายละเอียดในองค์ฌานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงแก่พระเจ้าอาชาติสตรูในสามัญญผลสุขมาเสนอตามลำดับมาถึงจตเจียฌาน คือตามปกติแล้วแนวที่ส่งอธิบายโดยอุปมาเทียบเคียงโดยนัยนี้เราไม่เคยพบบ่อยๆนักเมื่อเราไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงก็ลองศึกษาดูที่ทรงอุปมาเทียบเคียงให้เราเห็นว่าสภาพจิตในแต่ละขณะที่เราได้บรรลุฌานนั้นมีอาการยังไง ในจตุทัฌานคือฌานที่สี่นั้นก็มีอารมณ์เพียงสองคืออุเบกขากลเอกักตาแต่ทรงให้รายละเอียดไว้น่าสนใจเป็นอย่างยิงว่าอีประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุทัฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะลาดสุขและทุกข์ระดับโสมนัสโถมนัสก่อนได้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปที่ทั่วกายนี่แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ของแพ้วไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ของแพ้วจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาว ไม่มีเอกเทศในไหนแห่งกายทุกๆส่วนของเขาที่ผ้า่าวจะไม่ถูกต้องชั้นใดปิสุประชันนั่นแหลเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศในไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องดูก่อนหมาบ่อพิษนี้แหละสามัญญผลที่เป็นเพ็นประจักษ์ทั้งที่ดียิ่งกว่าทั้งประนีกว่าสามัญญผลที่ประจักษ์ข้ อ, ขอก่อน หรือเป็นการอุปมาแต่ละข้อเนี่ยเทียบเคียงให้เห็นว่ากายนั้นได้รับประโยชน์จากจิตที่มีความสงบมาโดยลำดับไม่ว่าจะอุปมาเหมือนคนแช่ลงไปในเหมือนเหมือนกับ น, น้ำที่อยู่ในบึงหรือในแม่น้ำอะไรก็ตามคือว่าทุกส่วนของดินที่ถูกน้ำนั้นก็จะเบีย ด, ด้วยน้ำทั้งเสมอเหมือนกัน หเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ําก็ถูกน้ําเสมอเหมือนกันหรือคนคลุมตัวด้วยผ้าขาวทุกส่วนของร่างกายก็ถูกคลุมด้วยผ้าขาวผลจิตที่มีความสงบโดยกําลังของฌานในที่นี้เป็นการละได้ทั้งทุกทั้งสุขละได้ทั้งสุขมันัดทั้งโถมันัดจิตก็ยังเหลือเฉพาะอุเบขากับเบกกะตา อย่งที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนว่าอุเบกขาระดับฌานเนี่ยเป็นอุเบกขาฌานเนี่ยเป็นความสงมบซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาจากการบําเพ็ญเพียรทางจิตของท่านเรียกว่าเป็นจิตนั่นก็อยู่ตรงกลางือความเพียร น, นั่นก็อยู่ตรงกลางกลางไม่สายไปในอารมอย่างใดอย่างหนึง่ง เป็นเป็นอุเบกขาคือเป็นอาการของปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วก็วางเฉยอยู่ในฌานแล้วนั้นแต่อาการของความผ่องแผ้วนะฮะอาการของความผ่องแผ้วคือสงบจากกิเลสเพราะว่าอุเบกขาก็เป็นปัญญาสมาธิก็เป็นสมาธิเอกอกตาก็เป็นสมาธิก็แสดงว่าอาการนิวรณ์นี่สงบไปหมด ก็จิตก็ผ่องแพ้วระดับเรียกว่าวิขำพนะปาหานคือละได้โดยการกดขับไปโดยกําลังแห่งฌานแต่ความผองแพ้วเหล่านั้นก็ครอบคลุมไปในส่วนต่างๆก็ทุกส่วนของร่างกายแต่จริงเขาเกิดที่จิตนะฮะในความป่องแพ้วเนี่เกิดที่จิตแต่ว่ามันคลุมไปถึงทุกส่วนของร่างกายไ ม, มามกไม่มีความกําหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความรําคาญ ไม่ยินดียินร้ายอยู่ในร่างกายตนในากายบุคคลคือเป็นอาการของจิตที่วางเฉยแตะจากนั้นก็ทรงแสดงโดยอุปมาโดยในย่านหนึ่งเพื่อปรับสภาพจิตของบุคคลเดินขึ้นไปให้ประณิตมากยิ่งขึ้นก็ตรงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ของสมาธิอยู่นะแต่เริ่มเข้าไปสู่เขตของปัญญา ซึงก็หมายความว่าถ้าเข้าเขตของปัญญาก็เป็นสมาธิติกับสมาธิสังกปปะในอริมักมีองแปดประการแต่ตอนนี้ยังเป็นอาการทางจิตที่ใกล้ๆปัญญาเข้าไปรับสังว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ คือนี่คือจิตที่เป็นหลักสําคัญที่สุดว่าจะไประลึกชาติได้จะได้ตาชิดจะได้หูชิดสามารถระลึกชาติต่างๆได้นี่จิตมันต้องพัฒนามาถึงจุดนี้คือจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสและเป็นจิตอ่อน ควรแก่การงานคือใช้งานได้แล้วก็มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ท่านก็น้อมจิตไปเพื่ อ, อยานัศนะคือความรู้ความเห็นเป็นการมองย้อนจากจุดเริ่มต้นคือตัวเราที่ปรากฏตัวในปัจจุบันแล้วย้อนเข้าไปหาสู่อดีตก็อถอยพบชาติกันไปเรื่อยๆนะฮะถอยถอยถอยไปโดยลำดับ เตยรยอมรู้ชัดอย่างนี้ว่ า, ากายเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหมาปูตรูปทั้งสี่คือดินน้ำลงไฟแล้วก็ดินน้ำลงไฟนะฮะบางทีก็ดินน้ำไฟลมก็ดินน้ำลงไฟ ต, ตอนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะพูดแค่สี่แต่เวลาทรงแสดงโดยพิสดารเนี่ยจะพูดถึงทั้งหกดินน้ำลงไฟอากาศแล้วก็วิญญาณธาต แต่นี้เป็นการพิจารณาพื้นฐานเบื้องต้นเพราะอย่าลืมว่าแสดงแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นคารวาสเกดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นโดยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนดฟันมีอันทาลายและกร ะ, กระจายไปเป็นธรรมดานั่นก็คือสภาวะของกฎใจลักเรื่องความคงไปในงานศพ วันก่อนเนี่ยไปฟังสวดศพที่วัดพระไกรศีที่รามคำแหงยี่สิบสามเกวนพระท่านตั้งพัดเรียงเป็นแถวว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็นั่งมองๆไปก็นึกจะถามเธอแต่กลัวเธอจะตอบไม่ได้ไจ้ใจจ้าวบันว่าหมายความว่ายังไง มาเองก็ติดใจยอยู่นานนะไปไม่กลับหลับไม่ตึงพื้นไม่มีนี่ไม่พ้นเนี่ยเราก็ติดใจยอยู่นานว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หมายถึงคนตายอย่างเดียวมันต้องหมายถึงอย่างอื่นแต่ว่าหมายถึงอะไรตัตมาก็ไปพบท่านขาไขว้ว่าไปไม่กลับนั้นคือการเวลาที่ย่อมกินสัปรปะสัตร์พร้อมด้วยตัวของมันเองเราแก่แล้วก็แก่เลยนะฮะแก่ไป กี่วินาทีก็แก่ไปเลยไม่มีทางได้ย้อนกลับมาได้แล้วมันการเวลามันไปไม่กลับไม่มีการย้อนกลับวันที่เท่าไหร่ก็หมดไปก็คือหมดไปแล้วไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเนี่ยเป็นอาการของความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดในแนวดิ่งที่ปรับใจลงไปในสามเรื่องใหญ่ๆคืออริยยทิฐิถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทํา หมายความว่าเป็นการปฏิเสธเหตุที่ก่อให้เกิดผลในลักษณะต่างๆแล้วเหตุตุกาทิจิ์นั้นเป็นการปฏิเสธผลว่าผลนั้นไม่ได้มาจากเหตุเป็นลักษณะลอยๆเป็นลักษณะโดนบันดาลเป็นการประจิประสาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แะ้วแต่ท่านจะว่านะแต่ท่านถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุและหน้าที่กาทิจฉก็ถือว่าไม่มี ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่คือคนที่ตายนะตายไปแล้วก็ไม่ฟื้นฮะที่ฟื้นขึ้นมาก็แสดงว่าไม่ตายจริงเป็นการสลบลึกๆไปทั้นั้นเคยถามแพทย์ว่าคนเราตายไปสักกี่นาทีที่ฟื้นไม่ได้เนี่ยนะเบอกประมาณหกเจ็ดนาทีก็ฟื้นไม่ได้แล้วออกซิเจนขาดแล้วก็ร่างกายเริ่มเย็นต้งฟื้นขึ้นมาก็สมมติถูกฟื้นขึ้นมาได้นะฮะ ร่างกายก็ไม่พร้อมที่จะใช้งานอะไรได้แล้วก็หนีไม่พ้นนี่คือคนที่ตกอยู่ในกฎของปจัจรักษ์อเนี้คือโตๆกันด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะขณะ มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็ตรงข้ามกับความเชื่อเรื่องเทียงแท้แน่นอนที่มีความเข้าใจกันต้องบทต้องโน้โดดัน้าวต่อหมายความว่าร่างกายนี้มีโรคเป็นโรคคณิตทางเป็นรังของโรคประพังกุนังหรือปวยหน้าวมีปวดมีเมื่อยมีเครดดอกสารพัดที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายของเรา และในขณะเดียวกันก็มีอันทําลายและกะจ็จะกระจายไปเป็นธรรมดาถึงจุดหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยลืมว่าเป็นการมองในแนวของทุกขสัจคือมองจากโครงสร้างของปัตติลักแล้วก็ในที่สุดบอกว่าและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นพระพุทธดํารักที่ตรัสไว้ในที่ต่างๆเช่น ผู้ได้จักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีธถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยไว้ได้บุคคลเหล่านั้นจะพ้นจ้าบวงแหงน ว, วนเพราะวิญญาณก็อาศัยอยู่ในกายเนี่ยเนื่องอยู่ในกายนี้ตุกก orn มาบดพิษเปรียบเหมือนแก้วไผ่ทูลอันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยมในช่างเจรไนดีแล้วสุกใสแหววาวาวสมส่วนทุกอย่างนี้ได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือว่านวลร้อยอยู่ในนั้นบู้รุษผู้มีจะสู่จะพึงหยิบแก้วไปทูล น, นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไปทูล น, นี่งามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมในช่างเจรไนดีแล้วสุขใสกาวาวาวสมส่วนทุกอย่าง นี่ได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ในแก้วไปทูนชั้งใดประเดนนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตนะว่าวิชาการก้าวหน้าในช่างที่เกี่ยวกับช่างเจรไนนนี่แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาสามารถเจรไนแก้วไปทูนออกไปเป็นเหลี่ยมแล้วก็เจาะรูเข้าไปข้างในแล้วก็ร้อยได้ไว้ด้วยไปสามารถมองผ่าน แกวไปทูนแล้วก็ไปเห็นได้ที่อยู่ข้างในสีอะไรก็จะรู้ตามความเป็นจริงมันเป็นการย้อนรอยประวัติาศาสตร์เพราะสิ่งที่ทรงนำเอามาอุปมานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอาชาติสูตรทรงคุ้นเคยเพื่อสะดวกในการสื่อสารในการอธิบายธรรมะแกพระเจ้าอาชาติสูตรซึ่งเป็นคารวะแล้วก็รับสั่งว่าภิกษุก็ฉันนั่นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแผ้ว ตัวนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็เน้นย้ำทุกแห่งด้วยคือถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้คุณวิเศษต่างๆนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้ปัญหาที่สําคัญว่าคือเราไม่สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตแต่ว่าบางครั้งก็แสดงอาการสู่รู้ไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการคัดค้านอย่างนั้นไม่จริงอย่างน้นไม่จริงอย่างนี้ไม่จริง เกยไปสัมมน า, าทางวิชาการกับศาสตราจารย์ที่มีความชานาญในด้านสมองนะครับเราเต็มที่จะอธิบายเราก็ตั้งประเด็นให้ท่านตอบให้ท่านช่วยอธิบายเดี๋ยวไปเชี่ยเห็นว่าสมองนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นที่ทํางานของจิตจิตไม่เป็นนามธรรมาสมองมันเป็นรูปธรรมแต่แน่นอนว่าถ้าสํานัก ง, งานมันเกิดพิการไปจิตก็ทํางานไม่ได้ มันก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะว่าที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงเนี่ยเราเห็นชาเจนอัศรีรังคือไม่มีสรีระเที่ยวไปได้ในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวนะคนเราสามารถคิดในจุดเดียวกันได้โดยจิตไม่ได้ไปกระทบกระแทกอะไรกันเลยนะมองไปจุดเดียวกันแม้แต่ปลายเข็มปลายเดียวเนี่ย คนสักล้านคนก็มองได้นะในจุดเดียวกันโดยจิตไม่ได้กระทบกันแต่ถ้าสมองแล้วต้องกระทบแล้วเพราะมันเป็นรูปวัตถุเพรื่นการอุปมารตรงนี้จะเน้นที่จิตเป็นหลักเมื่อจิตเป็นสมาชิบริสุทธิ์ของแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหว เจ้โนม น, มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เข้าใจกายตัวเองโดยเนยยะดังกล่าวก็หมายความว่ากายเนี่ยเป็นการมองตัดตอนเฉพาะที่เกิดขึ้นในอดีตใกลๆ้ๆเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะฮะเอาในในอดีตใกลๆ้ๆแล้วก็ไปเชื่อมโยงเข้ากับ อดีตไกลๆในภูเพนวาสานติยานแต่ตอนนี้ยังยังอธิบายไม่ถึงภูเพนวาสานติยานคือทรงซอยให้เห็นถึงผลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมนี่ขอพระเจ้าชาติสูท่านกราบทูลถามในแนวผลจากการบวช แต่ที่จริงผลเหล่านี้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นค า, ารวะนะฮะคือค า, ารวะก็เกิดผลได้พระก็เกิดผลได้พระก็คนจะว่างเขาคนนะฮะสามารถจะทําให้เกิดผลขึ้นมาได้แต่ว่าการโอกาสเนี่ยของพระเอื้อมากกว่าอย่างแต่ว่าท่านจะใช้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงโอกาสที่เอือ้อแล้วก็ท่านก็เอื้อได้มากกว่าคนทั่วๆไป ในสุดเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยหมาปูทรูปสี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนุนสดไม่เที่ยงต้องอกต้องนวดฟันมีอันทําลายกระจายกระจายไปเป็นธรรมดาจะวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสามัญญผลอีกข้อหนึ่ง ซึ่งทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นไปจากข้อก่อนๆและจากนั้นก็ใช้สภาพจิตยอย่างเดิมนะฮะใช้สภาพจิตยอย่างเดิมแต่ขึ้นไปที่มโนโมยิทธิเข้าไปเพเข้าไปที่อภิญญานะฮะก็ยังเป็นอาการทางสมาธิคือผลต่อเนื่องมาจากฌานอยู่ โดยสภาพจิตเดิมสภาพจิตตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จิตเดิมมันคือหมายความสภาพจิตเหมือนเดิมนะฮะคือเป็นจิตที่เป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันวายอย่างนี้ย่อมน้อมน้อมจิตไปเพื่อนิรมิต ร, รูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมียวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพล่อง ตรงนี้เขาเรียกว่มามโนโมยิทธิคือมีฤทธิ์ในทางใจนะตา่านเคยดูภาพที่เขาเขียนเป็นพระพุทธรูปห้างห้าพระองค์อยู่ตามกิ่งไม้นะต้นคันธามะพรุกคือต้นมะม่วงชื่อคันธามะก็เป็นการแสดงปฏิหารยมกปฏิหารของพระพุทธเจ้า แต่การถอดจิตในลักษณะนี้เราจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยแต่ว่ารู้กันในแวดวงของพระอริยบุคคลทั้งหลายคือพระสาวกเนี่ยไปปฏิบัติธรรมะอยู่ในที่ต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลยและบางทีท่านก็บรรลุมรผลพร้อมๆกันเพราะนั้นเวลาท่านจเจริญมาจนถึงพวกพระยะตุปานญาณ น, นะเกิด<อ> ค, ความกลัววิปัสนาญาณเนี่ยเกิด ค, ความกลัวขึ้นมา พระเจ้าจะปรากฏพระองค์รออยู่ข้างหน้าข้างท่านแล้วก็ทรงฉายจักพันดิรังสีให้กระทบให้ท่านเห็นพอท่านเห็นพอท่านมองมาพระเจ้าก็เทศเลยอธิบายให้ฟังให้ทําจิตยังไงท่านก็ทําจิตตามแล้วบรรลุมรรคผลเป็นบาปพระเจ้าก็หายไปไอันนี้เป็นแนวมโน ม, มยิทธิคือมีทิฏฐางใจที่สามารถนิรมิต รูปอันเกิดแต่ใจเอมมิดมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจอวัยวะน้อยใหญ่เหมือนกันเลยคือดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปไหนรูปรูปนิร ม, มิตขึ้นมาเนี่ยเคมีประเทลารูปหนึ่งคือปจุลปันธุท่านท่องหนังสือสี่บรรทัดสี่เดือนไม่จำ พระมหาปันตกพี่ชายก็เห็นว่าน้องชายจะไม่ไหวแล้วเลยก็แนะนําให้สึกโดยเห็นว่าเป็นอภรระบุคคลแต่ว่าท่านเองไม่สมัดใจจะสึกในที่สุดก็ถูกบีบบังคับเข้ามาก็ไปจะสึกเป็นวิธีของพระอาหารหันต์ท่านนะฮะเป็นวิธีฝึกคนของท่าน กู เ, เจ้าก็เสด็จมารับสอบถามว่าจะไปไหนท่านบอกจะไปศึกถามทําไมจะศึกบอกพี่ชายบอกให้ศึกกู เ, เจ้ารับสั่งถามมาเธอบวชวุฒิทิศเราหรือบวชอุฒิทิศพี่ชายท่านก็บอกอุฒิทิศพระภูมิพระภาคจ้ารับสั่งว่าก็าเรายังไม่ศึกนี่ทาไมจะต้องศึกละ่ะแต่ในที่สุดก็ไม่ให้ศึกก็นําพาไปที่ประคันงตะ ก, กดุดีแล้วก็ส่งส่งผ้าขาวให้ท่านบริกรรมประโชหระนงังประโชวระนงัะนงปเปรอะเป่าเพื่อนทุลี จนในที่สุดก็จเจริญวิปัสนาบนรรลุมรรคผลเป็นพระหันเพื่อต้องการพิสูจน์นะว่าภายในวัดมีพระอยู่ท้าเนรมิตตัวเองเอาไปเป็นพันเต็มวัดไปหมดเลยพระเนี่ยทํากิจกันคนละอย่างคนละอย่างกระจายกันแต่หน้าตาเหมือนกันหมดคนที่ไปตามแล้วเดืยงงต้องกลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้ไปบอกบาจุลปันทุก ทุกรูปบอกว่าชื่อจุอลบพันธุเหมือนกันต้องกลับมากราบพูดใหม่บอกว่าใครคนไหนพูดก่อนก็ให้จับจีวรนคนนั้นไว้แล้วรูปอื่นจะหายไปเองคนก็ไปทำอย่างนั้นแล้วในสุดรูปก็หายไปเพราะแนวพวกมโนโมยิทธิ์เป็นแนวที่ช่วยในการเผยแผ่ศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าแต่ว่า เป็นการรับรู้ในหมู่พระอาหารหันต์พระหันท่านรู้แล้วท่านก็ปกติธรรมดานะฮะเพราะว่าท่านพอบรรลุเมตตผลแล้วท่านก็ทําได้เหมือนกันท่านก็ไม่เอามาพูดคือในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าเอาพระพุทธเจ้ามาคุยนะฮะเรื่องต่างๆที่ทรงธทมเนี่ยไม่มีศาสนาไหนไปทัดเทียมหรอกเดี๋ยวพูดไปก็มันก็อย่างนั้นแหละมันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คุณสมบัติของเราที่เราไปทําอย่างนั้นได้ พูดออกไปแล้วก็อย่างว่าคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีก็มีความคิดไปต่างๆนาน า, นาก็เป็นบาปไป่คนเหล่านั้นเปล่าๆเดที่ยกพระบาลีมาให้ดูเนี่ยคือต้องการจะให้ศึกษาในแนวใต้ร่มพระโพธิญาณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในพระธรรมาจากวรรณาสูตรเนี่ยไม่ได้ทรงขยายข้อความไมพิสดาร อดือดเมว่าเรายัางพูดเรื่องธรรมจั ก, กรวัตตนาสูตรกันอยู่นะฮะแต่เข้ามาที่มหาสติปัฏฐานสูตรเข้ามาที่สามัญญผลสูตรเพื่อให้มันมันเป็นบาลีพุทธวจนะล้วนๆแล้วก็อธิบายขยายความไปเท่าที่จําเป็นจะ ต, ต้องอธิบายขยายความ แ, แสดงให้เห็นว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยในแง่ขอความเป็นจริงถ้าเราดูให้ตลอดอนะ่ะ ทรงอธิบายไว้แล้วโดยในที่หนึ่งในที่นั้นอธิบายอย่างนั้นในที่นั้นอธิบายอย่างนั้นในที่นั้นอย่างอธิบายอย่างนั้นถ้าเรามาเชื่อมต่อกันได้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องฟังบุาคนอื่นอธิบายไปอย่างไงพระเจ้าทรงอธิบายไปแล้วเพียงแต่ว่าต้องทุ่มเทเวลาศึกษาเยอะนะฮะลองทุ่มเทเวลาศึกษาเยอะเวลานี้ที่จริงก็พระไตรปิฎกก็เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะแต่มีปนญหายังใช้ไม่เป็นนั่นเอนง ก็ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะค้นคว้าจากตรงนั้นมาก็ทําเร็วขึ้นนะครับทเร็วทาทําเร็วขึ้นแต่ว่าอ่านจากบารีอัตถกถาแล้วก็เราก็รู้นะว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเพะจะหาได้ในเวลาที่รวดเร็วต้องฝังเท่าไหร่แต่ ร, ระบบวิทยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรม อยู่มีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี